พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าความสุขของโลกแค่เพียงหางอึ่งวันนี้เป็นวันที่ส5้า กันยายนพุทธศักราช2559เขาประกาศว่าฝนจะตกตั้งแต่วันที่13หลวงพ่อก็บอกวอาลูกหลานว่ายังไงวันที่13วันนี้หลวงพ่อตื่นเช้ามาในฟ้าแจ้งจางปางอมองเห็นเมฆหมอกจุบนฟ้าเขียวตอย่อยต่างหากแดด จ้าอีกต่างหากตอนเช้าไม่มีทีท่าเลยว่าฝนจะตกแต่ก็ต้องฟังเอาไว้นะพอตกตอนเย็นมาโอ้ฝนมาจริงจเองวันที่สิบสามนะฝนแต่ไม่แรงนะฝนรินพลัมพลมพลมพลอวันที่สิบสี่เมื่อวานก็ตอนกลางคืนลกลางวันก็มีตกปลายแล้วก็ กลางคืนเมื่อคืนนก็ตกเกือบทั้งคืนเพิ่งมาหยุดเมื่อกี้เนี่ยวันที่สิบสี่เข้ามาวันที่สิบห้าเขาบอกว่าวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบห้านะพายุจะเข้ามาเขาก็พูดแม่นเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะน้ำจะท่วมตรงไหนท่านเองแต่แถวเรานะไม่ไม่ถึงกับมีน้ำมากเพียงแต่ฝนลินพรำแต่ชุ่มฉ่ำไปหมดนะ่ะ แต่หลวงพ่อนั่งรถมาจากจังหวัดอุดอรเมืช้าเมื่อวานหลวงพ่อไปฉันที่อุดอรไปฉันวันกเกษียณพวกคณะพวกเพกื่อพวกหมอหมอพยาบาลและกับพนกักงานโรงพยาบาลศูนย์อุดอรจะจัดทําพิธีผู้ทําบุญให้ผู้กเกษียณผู้กเกษียณอายุทําบุญร่วมกันก่อนที่จ ะ, กะเกษียณ เมื่อวานนี่รู้สึกว่าในโรงพยาบาลก็เป็นทําการภายในตาบุลภายในโรงพยาบาลของท่านมีท่านเพออเป็นประธานก่อนนิมนต์พระจากวัดของเราเก้ารูปพระเก้าองค์จากวัดของเราไปก็เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นหลวงพ่อได้กล่าวได้แสดงธรรมกักล่าวสมโภชธนียกถาปรารบเกี่ยวกับงานวันกเกษียณอายุเมืม่อวานนี่ รู้สึกว่าโอ้คนใส่บาทก็เยอะนะพนักงานใส่บาทเมื่อวานนี่หลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมพอจากนั้นก็เสร็จแล้วก็กลับมาพอกลับมาฝนรู้สึกว่าตกปลปลายตามเส้นทางจากอุดอรมาถึงวัดของเราเตกมาเป็นหย่อมเป็นหย่อมเหมือนกันนะรู้สึกว่าน้ำํำบางแห่งก็ตกแกล้งเหมือนกันนะ้นํารู้สึกว่าเออเหมือนกัน รู้สึกฝนช่วงนี้รู้สึกฝนกําลังกําลังเข้ามาในในบ้านบ้านเมืองของเราแล้วก็วันนี้เป็นวันปงนะคณาจารย์ญาติโยงปงผมแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันข้าวฉลากทําบุญข้าวฉลากกระพัดเป็นบุญใหญ่เราคงจะออกไปฉันข้าวนอกละ ว, วันพุ่งนี้พี่น้องประชาชนก็คงจะมาตักบาตร รอบสาลาใหญ่ถ้าหากว่าฝนตกนะ่ะคงจะไม่ดีแต่ตามไม่จริงทุกครั้งนะที่มีการใส่บาตรรอบซาลาใหญ่ฝนก็หยุดไท่นะทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้บ่าใครเป็นผูแ้แต่งฟ้าแต่งฝนอาจจะแกล้งพวกเราก็ได้วันพุ่งนี้แต่วันนี้ก็หยุดเทนมานะต่องช่วงนี้ไม่มีฝน แต่ตกทั้งคืนเมื่อคืนนียแล้วก็ให้พระประกาศตามสายพี่น้องลูกหลานทุกคนรับรู้รับทราบว่าวันพุงนี้เป็นวันทําบุญข้าวฉลากกระพัดตักบาตรอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อมต่อผู้มีอุปกระคุณผู้มาผู้ใดว่างผู้ใดที่จะมาได้ก็มา ทาหม่มาไม่ได้ก็ไใหม่เป็นไรแต่ประกาศให้รับผู้รับทราบร่วมกันแต่ตามไม่จริงปีหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งมีแต่ข้าวประดับดินก็เข้าททำบุญข้าฉลากกรพัดลูกหลานทุกคนก็น่าจะใส่ใจเหมือนกันนะน่าจะทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายของเราที่เราได้รับมรดกมาเน่ได้มาจากใครมรดกมรดก ชิ้นสำคัญก็คือเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครเนเมีแต่ว่ามรดกมรดกไม่ใช่ว่าเลือกสวนไรนาที่อยู่ที่กินพ่อแม่ไม่ได้ให้เ ล, าล้เาล็อกอ่เบอร์เผยังดูถูกพ่อแม่อีกต่างหากว่าพ่อแม่เกียรติช่างตนเองไม่ได้ให้หมรดกแต่ลืมคิดไปว่าตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่ นมอลลโรกชิ้นใหญ่ในเมื่อท่านให้มาแล้วเราจะไปทวงอะไรเองได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งแล้วเนเราก็ทาสิมอลลรคซับในโลกมีตั้งเยอะแยะคนขยันยอมหารับได้คนขี้เกียจยอมทุกตลอดไปคนมีปัญญาคนขยันมีปัญญายอมหารับได้ คนขี้เกียจคนโง่หาทรัพย์ไม่ได้เราเป็นประเภทไหนเราประเพศเป็นโง่และขี้เกียจอีกต่างหากใช่ไหมแต่โดยมากคนประเภทโง่และขี้เกียจไม่ชอบมองตนเองนะอยากจะมองไปหาคนอื่นคนอื่นมาให้ตัวเองว่าพ่อแม่ไม่ให้ตัวเองท่านให้จนพอแรงแล้วตั้งแต่หัวจดเท้านะพ่อแม่ให้เราเราก็ได้หมอลดกท่านมาเลยเอาสิ ขาสองแสนแขนสองสมองหนึ่งละกระโดดไปในทิศทั้งสี่โจทรทยานไปได้เลยละเลี้ยงใหญ่แล้วนะนี่แหละหมรดกเพราะนั้นพวกเราอย่าไปน้อยใจปีหนึ่งควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ถ้าหาว่าพ่อแม่ของเราร่วงรับดับขันไปเราก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอ้ยอยู่จึงสถิตยอยู่ระถินใด อปีนี้ข้าพเจ้าจะได้มาทําบุญข้าวประดับดินอทําบุญข้าวฉลากอุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายตกทุกข์ไรยากอย่างไรให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ขานะ่าเนอรอตั้งจิตที่ฐานตั้งแต่วันนี้แหละตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่คืนนี้แหละตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะทําบุญอะไรอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเรา นี่แหละถ้าว่าพ่อแม่ของเราพี่น้องของเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศเสริญสุขถูกสุข ก, กายสุขใจอย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเน้อปรารถนาเสียงใดสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาชีวิตให้ราบรื่นด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทาให้เผื่อแพ่ไปถึงญาติพี่น้องทุกคูทุกคนด้วย เราต้องมีเมตตาอยู่ในจิตใจเนี่ยวันพุธนี้นเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลนะกนัตถาญาติโยมลูกหลานเป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณวันข้าวประดับดิ น, นทําบุญข้าวฉลากวันพุธนี้ฉลากนะถ้าเป็นประเทศอย่างจีนเนี่ยกันนะเป็นวันาศาตรจีนเป็นวันอะไร มีมากมายทางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางเขาก็มีแต่ทางภาคอีสานนี่ก็นี่แหละในพรรษานี่ยก็คือทําบุญข้าวประดับดินข้าวบุญทําบุญข้าวฉลากเท่านั้นหลวงพ่อลมเป็นหลวงปู่หลวงตาพวกเราไม่พูดไม่ประกาศไม่บอกไม่กล่าวนะมันคงจะล่อยล้อไปเรื่อยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดถ้าผู้ใดลำเลิกถึงพระคุณพ่อแม่ก็ให้มาทําบุญวัทิศส่วนกุศลให้ท่าน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 อันนี้คือมีมาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อพูดไม่หนีออกจากหลักนะลูกหลานนะต้องอาศัยหลักหลักพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกระจกเงาหลวงพ่อจะไม่หนีออกจากหลักธรรมคําสอนการพูดการกล่าวอะไรมีหลักฐานอ้างอิงยืนยันให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาลูกหลานก็เม่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นําไปคิดดูเจ้ เจงไม้หลวงพ่อว่าหลักธรรมคือหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโจมเนะ้อวันพุ่งนี้เป็นวันทำบุญแล้วก็พร้อมกันเย็นนี้จะมีการวัดผาแดงหลวงปูล่ลีกุสระทะโรท่านก็จะทำบุญวันเกิดของท่านนะท่านเกิดวันวันวันฉลากกระพัดพอดี ถึงจะเป็นวันไหนก็ตามท่านจะไม่เอาไม่เอาตามวันที่นะท่านจะเอาตามวันวันพระเดือนเดือนสิเพนมันจะเป็นวันที่ไหนวันอะไรก็ตามท่านจะเอาเดือน1ิเนพนเพราะวันแม่ของท่านคลอดลูกวันเดือน10เพหลวงปู่หลีเกิดวันเดือน10เพนนะ ล, ลูกหลานนะปีนี้94้่ปีแล้วท่านจะทำบุญ ท่านญาติโยมก็จะทำบุญตักบาททำบุญฉลากภพัดด้วยทำบุญวันเกิดของหลวงปู่ด้วยวันพรุ่งนี้แต่หลวงพ่อดูแล้วคงพ่อคงไม่ได้ไปในงานของหลวงปู่แต่บางทีอาจจะให้พระไปตอนเย็นไปสวดเจริญพระพุทธรูปร่วมในงานของท่านด้วยแต่หลวงพ่อมีภาระ อย่างวันนี้นะอย่างวันนี้เนี่ยวันเกิดของหลวงปู่หลวงพ่อพูนาลาวหลวลงพ่อก็เบี้ยวไปอีกเพราะจะมีผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพมาทั้งยี่สิบกว่าท่าน เ, าเกี่ยวกับท่านท่านพิพากษาเนะี่ยหลวงพ่อก็เลยคงจะไม่ได้ไปเพราะมีภ า, าระทุระนะที่จะต้องไปงานของหลวงปู่ นี่เป็นอย่างนี้ล้วลูกหลานเน่ยมันไปไม่คล่องไม่เหมือนตะกอนเก่าปรมัยเป็ดพระน้อยปนุมไปคล่องแต่เดี๋ยวนี้เป็นท่านก็อุตส่ามามีหนังสือมาบอกจะเข้ามาพบอหลวงพ่อก็จะต้องรอคอยพบท่านอาพอเป็นผู้ใหญ่ทั้งยี่สิบกว่าท่านอีกเป็นกลุ่มของท่านอีกนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อางานของหลวงปู่ ลีที่เป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อเหมือนกันนะพี่ชายรองพี่ชายใหญ่คือหลวงปู่บุญมีพี่ชายรองก็คือหลวงปู่ลีนี่แหละอายุเก้าสิบสี่ปีแล้วมากแล้วนะไม่มากได้ยังไงหลวงพ่อก็เจ็ดสิบสองแล้วลูกหลานเนี่มือวานก็นไปเทศหรือว่าไปกล่าวที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเนาะพวกท่านทั้งหลายเป็นน้องๆหงลวงพ่อนะพออายุหกสิบปีเกษียณ หลวงพ่อใน72เข้ามาแล้วหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ของพ่อท่านทั้งหลายใน10ปีนะลูกหลานกันน้องๆทั้งหลายนะเพราะนั้นพี่จะกล่าวตักเตือนน้องทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีมาถึงข่าวนี้แล้วมันไม่ใช่อายุน้อยแล้วมากพอสมควรสิ่งไหนควรจะเก็บหอมลอมริบควรจัดจัดสรรปันส่วนได้เกิดเอาเก็บเข้าเป็นที่เป็นทาง ไม่ไม่ใช่หน้าที่จะลงทุนอีกแล้วอไม่ใช่จะตั้งบริษัทห้างร้านลงทุนพอมาตั้งในคราวเนี่ยถ้าลูกของเราไม่มีถ้าลูกของเราไม่เป็นทายาทเข้าไปนะ่ะเราไปตั้งเข้าไปกันะคนอื่นกินหมดนะทุกเมื่อแก่แน่แน่พอา น, นมาถึงคราวนี่บทโอกาสที่จะลงทุนแล้วมีแต่เก็บสิ่งไหนที่เราหามาได้เก็บหอมลอมริบให้เป็นที่เป็นทาง ต่อไปเนี่ยเราก็จะหาหนทางของเราเราจะตายวันตายคืนเมื่อไรเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเราให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะว่าตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อย้าจุดนี้อยู่เสมอเพราะพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีใครเตือนไม่มีใครบอกมันชล่าใจนะชลลาใจว่ า, อาพอตายไปก็แล้วไปมันไม่แล้วท่านจ้พอตายถ้าเรา มีบาปอากุศลมังกรตกเอเวจีมหานรกได้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชานได้แต่เมื่อวานก็ทราบข่าวว่าเนี่ยผู้อยู่ในพินัยกรรมของหลวงตาเนี่ยเป็นอะไรพันตรีหรือว่าใคร น, นารินรัตน์นามสกุลอยู่ในพินัยกรรมนันนะทูกพ่อจําจำชื่อท่านไม่ได้แต่นามสกุลนารินรัตน์ มีคุณชายป๋มคุณชลิท่านผู้กำกับท่านองค์ขมลตีดร็เตอร์ชาวนะแล้วก็มีพระเอกมีคุณปูพักมีหลวงพ่อมีท่านปัญญามีท่านวันชัยนี่มีในพินัยกรรมแต่เมื่อวานไปแล้วคนหนึ่งละ่ะฝ่ายฝ่ายญาติโยมนะนี่แหละใครจะเป็นคิวต่อไปก็ใหม่สาบเหมือนกันนะวะ ประวัติหลวงปู่พักเกาะไปแล้วเนะี่ยหลวงพ่อปัญญาก็ไปแล้วเนะี่ยยังเหลืออยู่พระหลวงพ่อกับหลวงพ่อวันชัยสององค์ฝ่ายพระเนี่ยใครจะเป็นคิวคิวต่อไปคงจะเป็นหลวงพอ่อมั้งเพราะหลวงพ่ออายุแกกว่าท่านวันชัยมั้งนี่แหละก็ไม่แน่เหมือนกันนะใครจะคิดว่าข้าอายุน้อยน้อยหนุ่มกว่าข้าจะไปทีหลังไม่แน่เหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท คิดไปอยู่เสมอมรณงเมภาวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องตายมารณงไปว่าข้าเมเมไปว่าข้ามรณงไปว่าตายข้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเนี่แหละ ถ้าบุญกุศลเข้าสู่จิตใจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรนะนะพระพุทธเจ้าพระหันทศาวกผู้หมดจดจากกิเลสพระหันในครั้งพุทธกาลพอท่านได้สําเร็จเป็นพระหรันแล้วท่านก็มองดูรอบคานของท่าน เ, าเราจะได้เป็นประโยชน์ต่อญาติโกโหติกาต่อญาติธรรมไหมต่อวงศาคนาญาติไหมใครบ้างที่จะเป็นทายาทของเรา ที่เราจะได้แนะนำสั่งสอนเป็นประโยชน์ก่ตอตอกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรามีไหมท่านมองดูแล้วไม่มีใครพอมีใครเออเราหมดภาระไม่มีใครเป็นทายาทของเราท่านก็วางขันเลยปล่อยวางพอปล่อยวางท่านก็ตายกับูดง่ายงพอวางขันพระหลารวางขันมมนได้ยากได้ท่านไม่ได้กั้นใจเราท่านหนีออกจากร่างเท่านั้นแหละแค่พอหนีออกจากร่างกายันก็เหมือนกับรถนะ เหมือนกับอรถคันนี้มันแก่แล้วเนี่ยมันอยู่ไปก็อย่างงั้นแหละเออวิ่งเข้าไปในพงหญ้าใช่ไหมจกของก็ออกจากรถไปโอไปนุ่นเอา่าไปขึ้นรถโรชลอยนะ่ะเอ่อรถอย่างดีเนละเออเหนือกว่ารถที่มันโคโลกโกโซทิ้งเลย น, ะนี่แหละท่านก็ไปอย่างนั้นทิ้งรถคันนั้นก็นทิ้งต่อไปมันก็ผุพังไปตามสภาพเพราะว่าไม่มีใคร เจ้าของหนีจากรถนนี่ยหนีก็เหมือนกันนั่นแหละพระาราหันทิ้งร่างกายก็ทิ้งแบบรถโคโลโกโซนะทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคำเนี่ยภาชนะทองคําคือพระนิานพานอ่าภาชนะดินก็นโลกวัะสงสารแต่ว่าพวกเราเนี่ยเลิศเลิศประเสริฐสีทั้งหมดแต่ตามไม่จริงเราไม่ได้คิดเนี่มันมันหาเลิศประเสริฐสีไม่ได้เนโลกนี่ มีแต่โลกอนันไดจางทุกขังอนัตตาโลกไม่สมหวังสมความมุ่งมา่นปรารถนาเราจะไปวันเลิศประสรสีได้ยังไงเอา้าจะใช่เลยที่หลวงพ่อเป็นพระจะผสมสมความมุ่งมาดปรารถนาอย่างไงผมเนี่ยสมความมุ่งมา่นปรารถนานะปรารถนาอะไรก็ได้อยากจะได้รถก็ได้อยากจะได้ใครอะไรก็ใช่ก็จริงอยู่ แต่บางเสียงมากอย่างสิ่งที่ไม่สมความความปรารถนาก็มีมันกันนะเอาคุณดูสิผมอย่ากแก่นะมันห้ามอยู่ไหมไม่ให้แกเห็นไหมสมัยเป็นน้อยหนุ่มเป็นยังไงเอาเถอะอยู่พปสั้าหกสิบเจ็ดสิบปีเถอะจะให้มันเหมือนเหมือนสิบยี่สิบปีเลยทดลองเลยสิสมความมุ่งมั่นปรารถนาไหมมันเป็นไปไม่ได้ เพราะนั้นโลกอันนี้มันโลกอันนี้ไม่สมไม่สมความมุ่งมา่นปรารถนาเราไม่อยากแก่มันก็แก่ต่อไปไม่อยากเจ็บมันก็จะเจ็บแล้วได้ไงต่อไปมันไม่อยากตายมันก็จะตายให้เห็นตัวเองไลไม่ต้องเห็นคนอื่นเห็นตัวเองตายแล้วล่ะอีกสักวันหนึ่งนี่แหละโลกอันนี้มันโลกไม่สมความมุ่งมา่นปรารถนาให้พวกเราศึกษาเอาไว้ใช่สมความมุ่งมา่นปรารถนาแค่หางอื่นหน่อยเดียว สิ่งที่ไม่สมความสมสิ่งที่ไม่สมความมุ่ ง, ง ม, ม, า ม, ม, ม, มา่นปรารถนาเนี่มากไปมหาศาลนี่เรื่องมรณะภัยเนี่ยตัวนั้นใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่ามรณะภัยภัยตัวนั้นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ชาติของทุกคนของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก เ, เพราะนั้น เ, เป็นภัยที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าเห็นเกิด เห็นคนแก่คเห็นคนเจ็บเห็นคนตายเท่านอะไสะดุ้งเลยเอทิ้งเวียงวังะพระพุทธเจ้าทิ้งเวียงวังเลยอออกไปหาโมกะธรรมแส ว, ง, สวงหาทางพ้นทุกเลยอไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในเวียงวังเพราะเหตุอะไรเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นเทวทูตนำทูตมาให้พระองค์เห็นจากนั้นพระองค์กดไม่อะไรตายอยากใน ราชสวังเลยหนีออกไปบวชไปส่งหาทางพ้นทุกข์จนภพพระองค์ได้ตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นจะได้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศเผยแผ่แนะนำพระบิดาและกพระประยุรญาตทั้งหลายจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมากต่อมากในครั้งพุทธในครั้งพุทธกาลนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพอ่อพูดให้ฟังเดี๋ยฟังเอาไว้นะฟังเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้นะอย่าอย่าปฏิเสธนะอย่าไปเพิ่งยอมรับทีเดียวให้ฟังนะถ้าพวกเราฟังฝึกศึกษาแล้วหลวงพ่อมั่นใจว่าทำคำสอนของพุท ธ, ธะนี่มีเหตุมีผลนะแล้วก็พร้อมที่จะยกระดับจิตระดับใจระดับการเป็นอยู่ของเรา ให้ดีให้ดีขึ้นนะแต่ถ้าว่าเราไม่คิดนะมันจะหมกมุ่นนะหมกมุ่นมันหมกมุ่นอยู่ในความสุขเล็กๆน้อยน่อยนะที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบเหมือนกับหมูอยู่ในเล้าหนะ่อยกรหมูอยู่ในเล้ามันมีความสุขของมันนะพอได้เวลาเจ้าของเอาอาหารไปเทให้กินจากนั้นก็เอาน้ําไปอาบให้มันมันก็อยู่ในเล้านะตัวอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นฮ เขาก็พยายามขุนเอให้มันใหญ่ให้มันอ้วนนะอพอได้ที่นะแต่น้ําหนักมันพอได้ที่เอาไปขายอยู่พอเอาไปขายเท่านั้นนะพยามัจจุราชน่ข้อนทุบหัวเลยเธอเนี่ยมันฉุกไหมในขณะที่อยู่ในเอในเล้า่ะในคอกะในคอกในเล้านะกับขอนทุบหัวเปรียบเทียบเั็นสิ อมันสมดุลกันไหมมันสุกเองไหมจะไหมเมื่ออยู่ในล้ามันก็ว่ามันสุกนะแต่มันถูกตัวที่ค้อนตรงที่ค้อนทุบหัวนะเอามืดเอามีดเชือดคอน่ะเอตรงนั้นแหละพอเจ็ดแล้วก็ไปเลยอมันก็ตายไปนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราสุกอยู่ในโลกนะสุกอย่างที่พระพุทธเจ้า พระหรหัสทศาวกท่านเปรียบเทียบให้ฟังพวกเราสุกเหมือนกับหมูอยู่ในเล้าแต่พอมรณะมรณะภัยเข้ามาเบียดเบียนพอ ม, มรณะภัยเข้ามาเหยียบยำ่ำพอมรณะภัยมาถึงก็เหมือนกับหมูที่ถูกเชื้อิดถูกค้อนทุบนะคือพญามัจยุราชนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราต้องเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญา ให้ใช้ปัญญาเปรียบเทียบแล้วจะทํำยังไงก็ท่านก็มีทางออกแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อให้รักษาศีลเ น, น้อให้ภาวนาเน้อให้หาให้หาทางออกได้จะไปอยู่หมักหมมจนเกินไปเน้อให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้เนะให้ตื่นตัวตื่นใจเอาไว้เน้อพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายพราะนั่งคอ้พวกเราทุกถท่านนะอพวกเราทุกคน่ะ ที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อพูดนะอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธนำไปการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วยังค่อยยอมรับหรือไม่ยอมรับนะแต่หลวงพ่อเน่ยยอมรับนะจึงมานำมาพูดให้พวกเราคณะท่านสัตยาญาิโยมลูกหลานได้ฟังนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรใ น, นีนเนาะ